เสียงอ่านหนังสือสู่แสงสว่างอาจารย์พรรัตนสุวรรณแนะนำเนื้อหาจากผู้บันทึกเสียงความเข้าใจแก่นธรรมขั้นสูงด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปเพื่อเข้าใจสังสารวัฏอำนาจแห่งกรรมผ่านเรื่องวิบากของจิตในความฝันที่ทุกคนสามารถรู้และพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานประกอบจากพุทธวจนะและคมภี์ทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทอริยศาสตร์และโดยเฉพาะชีวิตหลังความตายการให้ผลของกรรมการสืบต่อบภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดนรกสวรรค์ชีวิตของโอปปปาติกะพลังของวิญญาณในการสร้างชีวิตใหม่ให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นในสังสารวัตรได้เข้าใจพลังแห่งจิตที่เกิดจากวิบาที่แต่ละคนสะสมไว้ต่างกันในผะวังขจิตหรือจิตไร้สํานึกว่ามีกิเลส มีความไม่ดีแฟงอยู่แค่ไหนมีคุณภาพจิตอยู่ในระดับใดตายแล้วจะไปสุคติหรือลงอบายเพื่อจะได้เร่งรีบแก้ไขให้ถูกทางต่อไปซึ่งทุกอย่างนั้นสามารถศึกษาให้เข้าใจได้ง่ายด้วยการศึกษาเรื่องวิบากของจิตที่ปรากฏในความฝันเพราะแม้ในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่างพระอระหันต์ที่ใช้ความฝันพิจารณาจนบรรลุธรรมได้เช่นกัน หนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจธรรมในขั้นสูงด้วยการนำสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเคยเจอและคิดตามได้ไม่ยากจะส่งให้เกิดสมมาทิฏฐิเกิดความละอายเกรงกลัวบาปเกิดศีลธรรมในใจได้โดยไม่ต้องมีใครบังคับเพราะรู้ชัดในกฎแห่งกรรมโดยเฉพาะเรื่องของวิบากซึ่งเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเป็นตัวผู้สร้างและกาหนดชะตาชีวิตของทุกคน เาจะสิ้นสงสัยในหลักและคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจความหมายแฝงได้ลึกซึ้งตรงทางมากขึ้นถ้าเข้าใจเรื่องวิบากที่สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างในความฝันอันจะทําให้เข้าใจได้จริงในเรื่องวิญญาณหรือจิตคือพลังงานนามธรรมที่เป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งตามพุทธพจน์ในหลักปฏิจจะสมุปบาทที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหรือมโนคือวิญญาณหรือจิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงสำเร็จมาตาวิญญาณหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในผลงานอันทรงคุณค่าที่อาจารย์พรใช้เวลาศึกษาค้นคว้าวิจัยมานานหลายปีจนสรุปเป็นเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและจากประสบการณ์ตรงทางสมาธิของท่านเองจนแน่ใจและรู้ครอบคลุมในหลายด้านเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องวิบากพลังแห่งวิญญาณหรือพลังของจิตอำนาจของกรรมให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น อาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยายลัยสงฆ์ของไทยท่านแตกฌานทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้แปลและชําระอัถกถาและดีกาเจ้าบมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลัยผู้ก่อตั้งสํานักค้นคว้าทางวิญญาณและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนซึ่งเป็นสถานที่สําคัญในการฝึกอบรมสมาธิวิปัสนาให้กับพระนิสิตของมหาจุฬา ตัวอย่างเนื้อหาภายในสู่แสงสว่างคือทางสู่สุขคติสู่ความสงบพ้นทุกขนิพพานความรอดพ้นจากมัจจุราชหรือสังสารวัตรและพยามารการศึกษาเรื่องวิ ญ, ญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตและกำเนิดทุกสรรพสิ่งผ่านตัวอย่างเทียบเคียงในความฝันรู้จักต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวงเพื่อเข้าใจชีวิตได้ถูกต้องเปรียบเหมือนได้ออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างอย่างแท้จริง วิธีศึกษาธรรมะหลักสำคัญในการพิสูจน์คำสอนที่ถูกต้องความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงความเข้าใจเรื่องจิตหรือวิญญาณกับการเกิดอุปมาเทียบเคียงเรื่องจิตสร้างร่างกายกับจิตที่สร้างความฝันรู้จักชีวิตประเภทโอปปาติกะหรือชีวิตประเภทกายทิพย์ข้อผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้อง เพราะไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณมัวแต่ไปคิดในแง่ของวัตถุซึ่งมีหลักพิสูจน์คนละอย่างกันเหตุที่ทำให้ต้องเกิดใหม่ไม่จบสิน้นหรือตายแล้วไม่สูญทำไมคนฆ่าตัวตายที่ชื่อว่าไม่อยากมีชีวิตแต่ก็ยังต้องเกิดใหม่วิธีทําความเข้าใจตัญหาผ่านวิบากของจิตจากความฝันความเข้าใจเรื่องวิญญาณโอปปปาติกะนรกสวรรค์ การให้ผลของกรรมชนิดข้ามภพชาติการพิสูจน์ว่าโอปปาติกามีจริงด้วยตัวเองแม้ไม่ได้ฌานการพิจารณาความฝันจะได้เห็นวิบากคือสิ่งที่สะสมไวในจิตบอกได้ว่าตายแล้วจะไปนรกหรือสวรรค์บอกได้ถึงวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะทุกสิ่งที่ได้เจอเกิดขึ้นจากวิบากจากกรรมของตัวเองถ้าแก้ไขคุณภาพของจิตได้ก็จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง เห็นความสำคัญในการทำจิตเป็นกุศลเห็นชัดในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างไรความฝันสี่ประเภทแบบไหนเชื่อได้เชื่อไม่ได้แบบไหนใช้ศึกษาเพื่อเข้าใจจิตและสันดานที่แท้จริงได้เข้าใจเรื่องในฝันทำให้เข้าใจการกำเนิดแห่งชีวิตได้อย่างไรพุทธว จ, จะนะยืนยันเรื่องกายทิพย์ทั้งชีวิตคือภพที่มีอยู่จริง และสภาพแห่งการเนรมิตกายทิพชั่วคราวการเห็นโอปปปาติกาของจริงผ่านความฝันและในเด็กทารกหรือคนใกล้ตายความฝันที่เป็นความจำจากอดีตชาติความสัมพันธ์ของกายทิพกับกายเนื้อศึกษาได้จากความฝันบางประเภทได้อย่างไรรู้จักกายทิพผ่านความจริงที่อาจได้เจอกับตัวเองขณะหลับวิบากซึ่งเป็นอำนาจลึกลั บ, บศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง กับความฝันสัมพันธ์และเป็นปัจจัยต่อกันอย่างไรอ่านโดยอริยะคุณร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักสมเกียรติรักคงนฤพลจิรพนากุลสุรีพรศูนย์คล้ายเจ้าภาพรองธีโอดอร์เจมส์แชงวิชยาดามุ่งวิชารอกรัวเอี่ยมวงสีรอกรัวขาสุวรรณรอกรัวแสงสิริพงพันรอบรัวเลสุวรรณกุลสุดาพตรตงสิรินิชามาโสภา